9. การดูเวทนาวงเล็บเปิดสิบเก้าตุลาคมสองพันห้าอห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบเจ็ดวงเล็บปิดวิธีดูไตรลักษณ์นะเช่นนั่งสมาธิแล้วปวดคุณสังเกตไหมเราเริ่มดูตั้งแต่ยังไม่ทันปวดตอนที่เรานั่งอยู่ขาเราก็ยังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมต่อมาความปวดแอบมาอยู่ในขาความปวดและขานี่เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละสิ่งกันแยกออกไหม ความปวดก็อันหนึ่งขาก็อันหนึ then, mhm, ่ง <amber> จิตท <ti ens> ี่เป็นคนรู้ขาจิตที่เป็นคนรู้ความปวดก็คนละอันกันกับความปวดเราต้องค่อยๆแยกนะกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแล้วเราจะเห็นเลยกายเขาก็ทำหน้าที่ของกายเวทนาเขาก็ทำหน้าที่ของเวทนาจิตเขาก็ทำหน้าที่ของจิตเขาทำงานของเขาเองอย่างเวทนานี่เราไม่ได้เชื้อเชิญเขาก็มามาแล้วไล่ก็ไม่ไป อย่างนี้นะถึงจะเห็นไจรักไม่ใช่คิดนะให้รู้สึกตัว